พระธรรมเทศนาแผ่นที่114ลําลำดับที่12โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่27กรกฎาคม2560มีชื่อเรื่องว่ากิเลสตัวเป็นเป็นวันนี้เป็นวันพระรัสสบวดีที่27 กรกฎาคมพุทธศักราช 2,560 เมื่อวานหลวงพ่อพูดเกี่ยวกับฟ้าเกี่ยวกับพายุเกี่ยวกับธรรมชาติเมื่อวานเนี่ยทาวาพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินอาจจะจนกตกใจว่าเป็นพิษภัยที่อันตราย แต่หลวงพ่อมาอยู่ที่นี่30สกว่าปีแล้วก็ยังไม่เคยมีอันตรายที่จะทำให้พระเนนเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะพายุก็ยังไม่เคยมีเพราะเราก็เตรียมพร้อมระมิดระมัดระวังในการเป็นอยู่ของพวกเราเพราะฉะนั้นการเตรียมพร้อมไปอยู่นสถานที่ใดก็เ ถ, ถ้าว่ามีการเตรียมพร้อมมีการระเวียงระวังแล้วดีทั้งนั้นแหละถ้าอยู่ด้วยความประมาทเลินเล่อ ถึงจะขับรถขี่มอเตอร์ไซค์ไปก็เตอร์อันตรายตายได้ทั้งนั้นเพราะไรเพราะเราอยู่ในความประมาทถ้าเราอยู่ในป่าดงพงไพเหมือนกันที่เราเดี๋ยหลวงพ่อพูดให้ฟังคือความเตรียมพร้อมไปอยู่ในสถานที่ใดอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเพราะความตายเรื่ อ, องความวิบัติหรืรอว่าความประสบอุบัติเหตุพร้อมที่จะเกิดได้ทุกเวลา เราเดินออกมาจากบันไดถ้าเขาเราขาดละมัดควาน ม, มาวัดระวังแบบซุ่มซ่ามลงมาถไหลลง ม, มาจับหัวบันไดก็ไม่รู้ว่ากี่คนตะกี่คนมาแล้วเราเดินไปหกลม้มขาหักแขนหักก็ไม่รู้ว่ากี่คนมาแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราอยู่นสถานที่ใดความรอบรอบครอบไว้ดีกว่าความรอบคอบไว้หนะ่อจะดีกว่า เมื่อเช้าเห็นครูบาอาจารย์โรงเรียนยุงทองพิทยาคมกับลูกศิษย์นะมาใส่บาตรหลวงพ่อก็ถามว่าทำไมใส่บาตรเป็นกรณีพิเศษอะไรวันนี้เพราะว่าวันที่ยี่สิบแปดเป็นวันประสูตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้ก็เลยครูบาอาจารย์มาทำบุญหลวงเออ นี่แหละอันนี้ก็ใกล้ใกล้วันของพระ อ, องค์แต่ก่อนเป็นวันพ่อก็คือวันที่ห้าธัานวาอันนี้เป็น เ, เป็นวันพระ อ, องค์ท่านองค์ใหม่พวกเราผสกในก่อนก็ควรจะแสดงความกระตันยูกตะเวทิตาขอให้พระ อ, องค์จงพระเกษมสําราญที่หลวงพ่อได้เย็นเมื่อเช้าเนี่ยลูกหลานมาใส่บาตรนะหลวงพ่อก็ถามนะ <c oughs> แล้วก็พวกเราท่านทั้งหลาย เ, เกิดมาทั้งทีชีวิตได้พบพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งพระหลวงพ่อเองจะเน้นเรื่องพระในวัดหรือว่าจัตธาญาติโยมผู้มาปฏิบัติธรรมในหลักธรรมคําสอนควรจะเน้นหนักจุดไหนแต่เรื่องจุดไหนถ้าผู้ปฏิบัติมาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายแล้วพวกเราต้องเน้นหนักเรื่องกิเลส โลภโกรธหลงราคะโทสะโมหะทำไมจึงเน้นจุดนี้เพราะว่าพวกเราเข้ามาส่วนข้างในพวกเราได้มองดูข้างนอกแล้วว่าที่เราอยู่ข้างนอกตะกอนนะ่ะมันเรื่องอะไรก็เรื่องความโลภเพรมียากมีเกิดขึ้นมาแล้วก น, นะา ก, การทำการทำงาน ถึงจะไม่พูดออกไปหรือพูดออกไปหรือไม่พูดออกไปแต่ในใจของเราเนี่ยไฟฝันคนคว้าอยากจะให้มันมีมากกว่านี้มีความสุขกว่านี้แล้วเด่นกว่านี้อะไรทุกอย่างเรียกว่าสรุปลัก็คือมีความพยายานละโมบโลกในจิตใจโลกอยากจะให้ได้ อย่างที่ตัวเองต้องการต้องเองปรารถนาอันนี้คือในใจของเราพวกเรานึกย้อนดูสิจริงไหมเนะทียวก่อนที่จะโลกอย่างนั้นคือมาโลกเพื่ออะไรท่านว่ามันเกี่ยว เ, เกี่ยวเนื่องมาตัวกิเลสตัวราคานะคือราคะคือความรักหลงตนเองซะก่อนจากนั้นก็มีคู่ครองจากนั้นก็มีลูกมีหลาน มีวงศาคนาญาติอันนี้ก็ออกมาจากตัวราคะคือความกำหนัดยินดีในเมื่อจัวนั้นคือมานั่นกับส่งเสริมไปหาความโลภทำไมเพรโลภขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อจะให้พวกกลุ่มพวกหมู่พวกคณะของเรามีความ เ, เด่นมีความเลิศประเสริฐเด่นกว่าใครทั้งหมดจากนั้นก็คือโทสะคือปกป้อง ปกป้องที่มันเกิดขึ้นมาแล้วนะ่ยไม่ให้มีใครที่จะมาล่วงล้ำเราไม่ให้มีใครที่จะมากร้ำกลายเราได้ อ, อใครขึ้นมาก่อนนะเราจ้องจัดการมาปัดแข้งปัดขาหรือว่าดําเนินการไม่ให้ใครเข้ามายุ่มเยิ ม, ห, ยมหรือว่าเหนือจากกว่าเราได้อันนี้ก็คือตัวกิเลสตัวโทสะนะสรุปแล้วก็คือ เ อ, อตัวโมหนะนี่ก็คือความหลงในตนเองตัวนั้นไม่ต้องพูดถึงเป็นพื้นฐานของมันสรุปแล้วก็คือพวกเราเราไม่รู้ไม่ไม่เข้าใจที่จะรู้จะเข้าใจได้นอกจากสมาธิเท่านั้นไม่มีทางอื่นที่จะอย่างรู้กิเลสเหล่านี้ได้ชัดเจนเ อ, อถ้ารู้ขึ้นมากราอย่างหลวงพ่อพูดให้ฟังก็มโมมีเมีย อ, อคือมันไม่ชัดนะ อคุ้มคุ้มเคลือบเคลือไปแต่ตามพระจริงถ้ามี <c oughs> สมาธิในจิตใจและจิตใจเน่งจิตใจเป็นสมาธิแล้วเราจะมองเห็นได้ว่ามันหลงเพราะอะไรพอมันหลงขึ้นมาแล้วเนะี่ยมันเป็นราคะเ อ, อความรักความชอบความกำนัดยินดีความมั่งใจไฟสูงโลภจากนั้นก็นโลภโลภมาเพื่อตัวราคะ ตัวโทสะเป็นตัวปกป้องไม่ให้ใข่มาก้ำกลายสรุปแล้วก็คือมาตัวราคะเนี่ยเป็นตัวใหญ่นะท่านบอกว่านะตัวราคะเนี่ยเป็นตัวใหญ่เพราะนั้นเวลาพระจะเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านจึงให้พิจนารณาหรือว่ากำหนดให้กรรมาฐานห้าเป็นเบื้องต้นซะก่อนวะ่าเกสาโล ม, มานขาทันตาตะโจ ใ ห, ให้มองดูอย่าหลงตัวเองอย่าหลงตัวเองอย่าลืมตัวเองว่าเป็นใครอีกสักวันหนึ่งนะร่างกายนี้นะ่ะจะต้องถึงจุดจบของมันเมื่อถึงจุดจบไปแล้วนะเมื่อคนตายไปแล้วนะวันหนึ่งเป็นยังไงสองวันเป็นยังไงสามวันเป็นยังไงเจ็ดวันเป็นยังไงผลที่สุดถ้าไปเห็น้าไม่มีใครเห็น ไปโหลล้มหายตายจากปางใ น, ในกลางปาง่ากลางหลงกลางหลงเออเป็นยังไงเป็นอย่างนางงั้นไหมเรามีสิทธิ์ที่จะเป็นอย่างนั้นไหมนี่แหละถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เราจะไม่หลงไม่หลงร่างกายในเมื่อไม่หลงร่างกายร่างกายมันมีจุดจบอย่างนี้ ใ, นใจของเราจะมองมองย้อนเข้ามาหาตัวใจของเรามาหาตัวผู้รู้คือใจ พอมอมหองมหาตัวใจแล้วเนี่ยมันจะมองไปออกไปตัวราคาคนดีมันจะกำหนัดยินดีเพื่ออะไรเราจะไปปกป้องโทสะโอโหโกธาไปเพื่ออะไรอ่าล้วก็จะไปโลภไปเพื่ออะไรเนี่ยมันตัดตัวนี้แหละมันตัดตัวตัวกามราคาตัวหลุมตัวหลงลืมตนเนี่ยมองเห็นตัวนี้แหละพอตัดตัวนี้ เบื้องได้ได้แล้วพิจารณาทีท่วนจุดนี้แล้วนะเราจะเห็นได้ชัดเจนเียเพราะสมาธิของเราเป็นเบื้องต้นทั้ก่อนนะถ้าว่าจิตใจไม่เป็นสมาธิไม่มีสมาธิจิตใจ ม, มี ม, ไ ม, มีไม่มีสติแล้วก็ไม่มีสมาธนะิอย่าหวังเลยจะมองเห็นในจุดนั้นได้นะเพราะนั้นเรื่องการภาวนานเป็นจุดที่จำเป็นสำคัญมากตั้งแต่เริ่มต้นนะว่าสติสัมปชัญญนะ สติค <ith> ือความระลึกได้สัมปัชัญญะคือความรู้ตัวอยู่ตลอดว่าเราอยู่เดี๋ยวนี้นั่งอยู่เดี๋ยวนี้พูดอยู่เดี๋ยวนี้การเคลื่อนไหวอยู่เดี๋ยวนี้ให้มีสติอยู่ตับกับตัวเองตลอดเวลาอันนี้แล้วว่าสติสัมปัชัญญะคือความรู้ตัวอยู่ตลอดว่าข้าพเจ้าอยู่ในสถานะไหนขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้ในเมื่อเรามีสติสัมปัชัญญะอยู่กับตัวเอง ต่อไปความรู้สึกนึกคิดของตัวเองก็รวม เ, เอทาะพอมัน ไ, ไม่คิดไปทางอื่นมันจะรวมสงบพราะจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งพอจิตใจรวมเป็นหนึ่งแล้วนามาพิจารณาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนะ่ยโลกไปเพื่ออะไรราคะกาหนดกินดีลุ่มหลงรักใครชอบใจไปเพื่ออะไรกิเลสโทสะปกป้อง คุ้มครองลังแก่เบียดเบียนฆ่าคนอื่นมาเพื่ออะไรเราหลงเราหลงในร่างกายของเราหลงว่าจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอย่างนั้นใช่ไหมเราหลงไปเพื่ออะไรถ้าเราพิจารณาถ้าเรามีสมาธิดีแล้วนะเราจะมองเห็นต้นเงื่อนต้นเงื่อนปลายเงื่อนกลางของแนวความคิด นั่นแหละสรุปแล้วก็คือนะ่ะกิเลสราคะกดีโทสะกดีโมหกโดีนะมันแทรกอยู่ในทุกกิเลสเราเนี่ยน่ะกิเลสตัวที่การเป็นอยู่ของพวกเราเพราะนั้นในหลักธรรมคำสอนของพุท ธ, ธะท่านจะเน้นมาจุดตัวที่ว่าผู้รูนะ้ผู้รู้ตัวนี้แหละคือตัวตัวนี้แหละไปหลงไปหลงในสิ่งเหล่านั้นอ่ทันีีนเมื่อเราเราเอาสติ กับสมาธิเข้ามาอยู่ในตัวผู้รู้จุดนี้แหละหลงไปเพื่ออะไรเนีมาขี้คลายดูดูตนเองไงคล้ายๆว่าค้นคว้าดุลในความรู้สึกนึกคิดของตัวเองแต่ละขณะที่ผ่านมาเป็นยังไงมันหลงเรื่องนั้นเพราะอะไรมันโกรธเรื่องนั้นเพราะอะไรมันโลภเรื่องนั้นเพราะอะไรแล้าก็ทบทวนดูในอดีตแล้วก็รบทบทวนอยู่ในปัจจุบันขณะนี้ จะก็ลบทบทวนไปใ น, ในอนาคตอีกวันต่อไปเพื้องหน้าเนี่อมันจะเป็นลักษณะในอดีตไหมนี่แหละเอาอดีตมาทบทวนอามาเปรียบเทียบต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นเมื่อเรามองดูทั้งอดีตก็ดีดูในปัจจุบันก็ดีดูไปในอนาคตก็ดีเอาเธอปัจจุบันอดีตที่ผ่านมาเป็นบทเรียนมันผ่านมาแล้ว ถึงจะเจ็บปวดถึงจะดีอกดีใจหัวเราะทั้งวีทั้งวันก็เถิดถึงจะร้องไห้ทั้งวีทั้งวันก็เถิดที่ผ่านมานะี่คืออ น, นันคือบทเรียนนะแต่เมื่อบทเรียนเรียนมาถึงปัจจุบันแล้วเนะ่ยเราจะก้าวไปในอนาคตนะ่ยเราจะให้มันเป็นอย่างในอดีตใช่ไหมหรือว่าจะให้ดีกว่าถ้าจะให้ดีกว่าในอดีตที่ผ่านมาเราต้องปรับ ปัจจุบันให้ดีเลยเราต้องพิจารณาดูดูในปัจจุบันทํำยังไงจึงจะให้ดีเนี่ยแหละเอาหลักธรรมคาสอนเอาสมาธิธทำนั่นแหะเข้ามาอยู่ในปัจจุบันจากนั้นเราก็ก้าวเดินไปทีละก้าวละก้าวหรือจะกระโดดก็ได้จะวิ่งก็ได้แต่ก็อยู่ในหลักธรรมคาสอนของพุทธะในหลักธรรมคาสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่จะแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวอย่าไปหลงโลกหลงทางเนะ้อ อย่าไปโลภนะโลภไปเพื่ออะไรจะได้มาโดยเ ป, เป็นธรรมไม่ว่ากันนะคําว่าโลภความนี้คือการเบียดบงังการลังแกการเอารัดเอาเปรียบคนอื่นมาเพื่อโลภคําว่าโลภคํานี้แต่ได้มาโดยเป็นธรรมไม่เป็นไรเพราะการเป็นอยู่ทุกทุกทุกหนทุกแห่งก็ต้องสแสวงหาเรื่องเครื่องเลี้ยงชีพอย่างพวกเราไปบินธบิรมาฉันอย่างนี้นหะเราไม่ได้ใช้ว่โลภนะมีเท่าไหร่เราก็รับตามอัตภาพ สันตุตถีประมังทะนังความสันโดษคือตามมีตามเกิดวันไหนมีมากเราก็ได้ฉันมากเมือม่ อ, อวันไหนน้อยเราก็ได้ฉันน้อยถ้าไม่มีเราก็ไม่ฉันวันนั้นเพราะอะไรเพราะมันไม่มีนี่แหละอันนี้คือคือชีวิตนักบวชจะว่าโลภไหมขา ว, ว่าโลภครามนี้คือไปเห็นของเขาเราไปแย่งไปชิงของเขาไปพูดไปเบียดไปบงังไปเอาของเขามาโดยที่เขาไม่มี เจตนาที่จะให้เราอันนั้นเป็นคาโลภเลถึงจะได้มาหน่อยหนึ่งเราก็จะว่าเป็นความโลภหรือยังไม่ไม่ได้ซะเลยแต่เราคิดอยากจะได้ของเขาอันนั้นก็ความโลภมันอยู่ในจิตใจของเราเราคิดซะก่อนนะเราคือลําเลียงเราพูดออกไปอันนั้นเป็นความโลภนะเนี่แหละความโลภมันอยู่ตั้งแต่คิดนะนะไม่ใช่พูดนะทางพูดและการทําออกไปนะ่มากกว่านั้นก็ไปแย่งไปชิงไปป้นไปฆ่าไปคดไปโกงเอาของเขามาอันนั้น อันนั้นแปลว่าโลภแล้วท่านนีโลภออกไปจากใจซะก่อนพอโลภออกไปแล้วก็ไปทําพอไปทําแล้วก็ไปพูดพูดแล้วก็ทําอันนี้แหละคือความโลภล้วเกิดความเอราคะออย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นจาก น, านั่นก็โทสะเอปกป้องแล้วท่านนีอที่ตัวเองจะผิดขนาดไหนก็ตามไม่อยากจะให้เขารู้เขาเห็นปกปิดเอาไว้อันนี้เป็นโทสกิเลสเลยล้วนแล้วจะเป็นกิเลสทั้งนั้น แต่ว่าพวกเราไม่มีหลักธรรมไม่มีหลักธรรมสมาธิรม เ, เป็นจุดยืนจิตใจของเรายังไม่เน่งเราจะมองไม่เห็นนะขันธศรัทธาญานโยมพระเนชลูกลานนะเพราะนั้นเรื่องสมาธิเป็นสิ่งที่จำเป็นสาคัญอย่างมากนะสติสัมปชัญญะเป็นเบื้องต้นแล้วจากนั้นก็มีสมาธิเป็นเครื่องกำกับ เ, เป็นตัวหลักเลเพื่อเป็นสมาธิแล้วกัน เ อ, อเมื่อสติมีแล้วในสมาธิมีในหลัจากนั้นไหน ย, ยานรัตสนะฌานปฐมฌานตติฌานตุติฌา น, จ ะ, านจะตุทธฌานฌานมันเป็นผลผลได้จากสมาธิถ้าจิตใจไม่สมบงบแล้วะเอมันจะเกิดฌานเหล่านั้นได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นท่านจึงครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มันท่านจะไม่ได้พูดว่าฌานนะท่านพูดเรื่องสมาธินะอเรื่องสมาธิเนี่ยเป็นหลักเลยละ่ะ ถ้าจิตใจเป็นสมาธิดีแล้วจะมองเห็นได้ลหลายอยา่างจิตใจมันเน่งนะมองเห็นดีมองเห็นชัว่วเพียงมองเห็นสิ่งควรไม่ควรบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์นะต่อนนี้ไปรับพรในทันทีนะเพราะฝนมาแล้วนะเห็นนะ่ะเสียงได้ยินเสียงฝนไปนะวันนี้ฝนรู้สึกฝนตกมาแต่เช้านะอะมันหยุดให้หลวงพ่อพูดหน่อยนึ่งบัด น, นี้มันมาอีกแล้วพวกเรารับพรในทันทีนะ